ก่อนเกิดเป็นดังตรินตอนใส่บาทครั้งแรกเพราะเธอนั้นคือทุกสิ่งในชีวิตที่ฉันมีของมีค่า เ, เหตุการณ์ในชีวิตคนเราถูกหลงลืมมากกว่าถูกจดจำคุณอุตส่าห์ฝันตั้งเป็นชั่วโมงแต่ทั้งหมดมักถูกลบเกลี้ยงเพียงด้วยวินาทีแห่งการตื่นนอนและนั่นก็เป็นทำนองเดียวกับชีวิตเก่าที่อุตส่าห์ผ่านร้อนผ่านหนาวยาวนานหลายสิบปีกลับถูกลืมไม่เหลือ เพียงด้วยช่วง9ก้าเดือนของการอยู่ในท้องแม่ผมจะลืมตาที่โรงพยาบาลหรือที่บ้านกี่ครั้งก็ไม่รู้แต่ความทรงจำของผมตั้งต้นด้วยการลืมตาขึ้นมาเห็นภูเขาและท้องฟ้านั่นคือจิตดวงแรกที่สามารถรับรู้ได้อย่างเต็มตื่นกับทั้งประทับแน่นไม่ลืมเลือนมาจนถึงทุกวันนี้ ผมจำได้ว่าหลังจากเมียงมองภูเขาและท้องฟ้าด้วยความคิดทำนองว่าได้เห็นอะไรอย่างนี้อีกแล้วครู่หนึ่งก็อ่อนแรงและหลับไหลลงตามเดิมภูเขาและท้องฟ้าอันเป็นภาพความทรงจำแรกคือเราแวกบ้านพักพนักงานไทยออยจังหวัดชนบุรีที่คุณพ่อของผมทำงานอยู่มันเป็นช่วงเวลาที่ผมจำได้ถึงความรู้สึกอยากได้อ้อมกอดจากแม่ จำได้ถึงภาวะอ่อนแอที่ขับดันให้อยากร้องไห้หาแม่จำได้ถึงน้ำเสียงปลอบประโลมของแม่แม่อยู่กับผมทั้งวันส่วนพ่อเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่จะกลับมาบ้านในตอนเย็น ตอนหนึ่งขวบผมยยกแยะได้ชัดเจนว่าพ่อเป็นอย่างไรแม่เป็นอย่างไรพี่สาวอีกสองคนเป็นอย่างไรและในวันครบหนึ่งขวบเต็มนั่นเองมหาคุศลจิตก็เกิดขึ้นเป็นดวงแรกในชีวิตเช้าวันหนึ่งคุณพ่อของผมอุ้มออกมาที่หน้าบ้านอากาศสดชื่น ผมเห็นคุณแม่และใครอีกคนจัดโต๊ะเล็กมีขันข้าวและมีถุงกับข้าวหลายถุงผมระลึกได้ว่าก่อนหน้านั้นเคยเห็นพ่อแม่เอาโต๊ะออกไปตั้งหน้าบ้านหลายหนแล้วเพื่อรอคนที่พ่อแม่เรียกว่าพระเดินมารับผมเห็นแม่ถือกล้องถ่ายรูปยิ้มแย้ ม, ยมและพยายามเรียกให้ผมหันไปมองผมจำเสียงหัวเราะดีใจของตัวเองได้เมื่อแม่กดชัตเตอร์ถ่ายรูปผมไว้ และผมก็ดีใจมากด้วยที่พ่ออุ้มผมไว้ตลอดไม่วางเลยถึงเวลาพระมาพ่อพนมมือไหว้ทั้งยังมีผมอยู่ในอ้อมแขนและตักข้าวใส่บาตรให้ดูจากนั้นจึงถามผมว่าอยากใส่เองไหมผมรู้สึกตื่นเต้นและเห็นเป็นเรื่องท้าทายเนื่องจากรู้สึกถึงมือที่เล็กเมื่อเทียบกับคันจับทับ พ, พีแล้วก็รู้สึกถึงกำลังแขนที่ยังน้อยอยู่ ชวนให้ไม่แน่ใจว่าจะสามารถยกทพีตักข้าวใส่บาตรพระไหวหรือเปล่าแต่ผมก็อยากใส่บาตรเกิดความเข้าใจขึ้นมาด้วยสัญชาตญาณว่านั่นเป็นการทำอะไรที่ดีมากๆ<ป> ดูเหมือนพ่อจะช่วยประคองหน่อยๆแต่พอเห็นผมจับทับพีแน่นก็ปล่อยให้ทำเองและผมก็พบว่าตัวเองทำได้แม้รู้สึกยากและฝืนๆไม่ถนัดนักพอหย่อนกระจุกข้าวก็เล็กๆ ล, ลงบาสสำเร็จก็มีเสียงเฮดีใจจากรอบคางส่งผลให้ผมหัวเราะร่าอย่างแสนปลืม้ม และเมื่อมีการขยันขยอให้เอาหมายอีกครั้งผมก็ไม่ลังเลที่จะทำซ้ำและทำสำเร็จเป็นคำรบสองผมต้องใช้เวลาอีกเกือบ20ปีกว่าจะทราบว่าความรู้สึกแสนปลื้มนั้นคือมหากุศลจิตอันประกอบด้วยโสมนัสอย่างใหญ่นับเป็นความสว่างเรืองแห่งช่วงต้นชีวิตอย่างแท้จริง คนทั่วไปต้องรอเวลาหลายปีกว่าจะมีโอกาสรู้จักรถแห่งมหากุศลจิตอันเกิดจากการใส่บาตรพระแต่เพราะมาเกิดกับคุณพ่อคุณแม่ผมจึงมีโอกาสตั้งแต่อายุเพียงครบขวบเต็มในความไม่รู้เรื่องรู้ราวช่วงต้นวัยผมรู้สึกถึงไออุ่นของแม่กับความแข็งแกร่งและความสว่างที่พ่อนำมาชายให้กับบ้านทั้งหลัง แค่นั้นเพียงพอแล้วที่จะเป็นหลักประกันแห่งชีวิตแสนสุขถ้าใครระลึกถึงครั้งแแ บ, บออกเบาในอ้อมกอดของพ่อแม่ได้เหมือนผมก็คงไม่คิดทิ้งพ่อแม่ไปไหนไม่ว่าพ่อแม่จะเป็นอย่างไรความทรงจําในอรุณรุ่งแห่งชีวิตไม่ใช่แค่อีกวันหนึ่งไม่ใช่ความฝันที่แค่ผ่านมาให้ลืมเลือนไปอีกครั้งแต่มันคือช่วงแห่งการตัดสินว่า คุณจะรู้สึกเกี่ยวกับชีวิตของตนเองอย่างไรสุขสว่างมั่นคงหรือว่ามืดมนคลอนแคลนและถึงคุณจะมีพ่อแม่ที่นำทำบุญตั้งแต่หนึ่งขวบหรือไม่ก็ตามอย่างไรพ่อแม่ก็ให้ร่างกายตลอดจนหัวใจที่สามารถรู้จักและรักพุทธศาสนาได้หากมีอภิน ญ, ญา มีความสามารถเห็นภายแห่งการเวียนว่ายตายเกิดนับอนันตชาตินี้คุณจะตระหนักอย่างลึกซึ้งว่าพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดคุณในช่วงที่พระพุทธศาสนาอุบัตินับเป็นพ่อแม่ผู้มีบุญคุณใหญ่สูงสุดเหนือพ่อแม่ในชาติอื่นใดทั้งหมดทั้งสิน้นก็หากกระสจากพวกท่านเสียแล้วคุณจะเอากายใจมนุษย์อันเป็นยานเดินทางไปสู่นิพพานนี้มาแต่ไหนเล่า บทความโดยดังตรินจากเิตยาสารธรรมะใกล้ตัวฉบับที่59 <love> เสียงอ่านโดยโจโช